ณบัดนี้ขอเชิญท่านผู้เรื่องคํา บริเวณริมแม่น้ำแห่ง พญาและมีลูกเป็นตัวผู้อยู่หนึ่งตัวเป็นหัวหน้าเหี้ย เหยี่ยวโคทาปิลิกะมีใจนักเลงจึงมีสัตว์ๆอยู่คือ แต่กิ่งกาใหญ่โตกว่าเก่าไม่มากๆ ทำทีเป็นจะพ่อ แล้วรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกเป็นห่วงวันนึงได้โอกาสเหมาะสมจึง แต่ลูกน่ะมีตัวหนาใหญ่กว่าเค้ามากการไปหยอกล้อทํา ซึ่งเขาๆก็ได้ได้แน่นอนถ้าเป็น เป็นไปไม่ได้หรอกพ่อพ่อน่ะคิดมากไปเองกิ่งกากับ ฉะนั้นเขาอาจจะคิดทําร้ายลูกก็ได้รวม อาจเกิดจากการบอกให้อืม เอาหน้าพูดหลายแล้วๆขึ้นมามา <c oughs> ไม่หรอกนะพกองพระรากกับเรา แมลงเมาก็พวก ซึ่งหาทางจับเหี้ยมาฆ่าลอกหนังกินเนื้อ ที่จะช่วยให้ตนเองปลอดภัยได้วันหนึ่งช่วยให้ตนเองปลอดจึงได้ร้องถามขึ้นได้วันหนึ่งเจ้าไม่รู้แล้วว่าเนื้อ หนังเหี้ยก็ยังเอาไปขายได้อีกน่ะถ้าอย่างนั้นท่านๆ ว่าแล้วกิ่งกาก็วิ่งนํานายพรานไปฝ่าย หญ้าแห้งไปสุมไว้ที่ปาก จึงพากันหนีตายออกมาทางฝากรูนายพรานถือค้อนคอยท่าอยู่แล้ว <cin stereotype and true choses> กิ่งกาคอยดูนายพรานจับเหี้ย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ใหญ่